วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้หลับข้าพเจ้าเด็กเล่ามาแล้วว่าผู้ที่สามารถจะเห็นโอปปาติกะได้ก็ต่อเมื่อสามารถหลับในสมาธิได้การหลับในแบบที่คล้ายกับอยู่ในสมาธินี้เป็นวิธีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเราติดต่อกับโอปปปติกะได้คนใดที่จะนอนหลับถ้าหากพยายามนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ทาใจให้สงบ และเมื่อ น, นอนลงไปศีรษะถึงหมอนแล้วก็รักษาสติสัมปชัญญะไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือถ้าหากยังคิดอะไรต่ออะไรอยู่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่ควรจะคิดแต่ก็ห้ามใจไว้ไม่ได้แม้ในกรณีอย่างนี้ถ้าหากรักษาสติสัมปชัญญะไว้ได้ซึ่งหมายความว่าใจจะคิดอะไรก็ตามรู้ตัวอยู่เสมอว่ากาลังคิดอะไร ถ้าทำได้อย่างนี้เสมอๆก็จะทำให้นอนหลับได้สนิทและสักวันหนึ่งก็จะติดต่อกับโอปปาติกะทางฝันได้แต่ถ้าจะให้ดีให้ได้ผลเร็วการสร้างวิมานในอากาศทุกอย่างจะต้องตัดออกไปให้เด็ดขาดและยิ่งกว่านั้นแม้ จ, จะเป็นเรื่องการงานหรือเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดก็อย่านอนคิดมันจะทาให้เกิดความฟุ้งซ่านง่ายมากเพราะในเมื่อท่านนอนลงไปแล้ว ความเคยชินจากการนอนจะทำให้ร่างกายเกิดความง่วงแต่ในเมื่อเรื่องที่กําลังคิดทำให้ใจต้องตื่นก็จะทำให้หลับไม่ลงในภาวะอย่างนี้เองจะคิดอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวออกมาจริงๆย่อมทําไม่ได้เพราะความคิดมักจะไม่มีระเบียบและในที่สุดก็ฟุง้งซ่านเป็นอันว่าเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือผลของงานก็ไม่ได้ ทําให้เสียเวลานานอีกด้วยคนที่ทำอย่างนี้บ่อยๆนานๆไปก็จะเกิดความเคยชินและในที่สุดก็กลายเป็นคนนอนหลับยากและจะต้องฟุ้งซ่านก่อนจะหลับเสมอถ้ายิ่งแก่ตัวและมีภาระยุ่งยากอาการนอนไม่หลับก็จะเป็นมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดก็จะต้องใช้ยานอนหลับเป็นประจําเพราะฉะนั้นทางที่ดี ท่านควรจะตั้งใจไว้ให้เข้มแข็งว่าถ้าศีรษะถึงหมอนแล้วเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรก็ตามท่านต้องมีคิดเป็นอันขาดแต่ถ้าห้ามใจไว้ไม่ได้ท่านก็ต้องสัญญากับตัวเองว่าจะต้องลุกขึ้นทันทีแล้วเมื่อนอนลงไปอีกคิดอีกก็ต้องลุกขึ้นมาอีกถ้าท่านซื่อสัตย์ต่อตัวเองอย่างนี้ความเดือดร้อนที่เกี่ยวกับความฟุ้งซ่านและการนอนไม่หลับก็จะหมดไป แต่ก็อย่าลืมว่าวิธีนี้เป็นเพียงวิธีป้องกันถ้าหากจะเป็นวิธีแก้ก็ใช้ได้เฉพาะในเมื่อความฟุ้งซ่านและการนอนไม่หลับนั้นยังเป็นไม่มากเมื่อเสียะถึงหมอนแล้วแต่ยังไม่ง่วงก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้หลับง่ายและหลับสบายหลับได้สนิทร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ก็คือการใช้คําภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นคำภาวนาที่เป็นไปเพื่อความสงบไม่ทําให้เกิดความฟุ้งซ่านไม่ทําให้เกิดตัณหาราคะไม่ทําให้เกิดความโลภเช่นภาวนาว่าพุทโธพุทโธหรืออรหังสัมมาสัมพุทโธอย่างนี้เป็นต้นให้ภาวนาอย่างนี้จนกว่าจะหลับไปแต่ข้อสำคัญต้องให้มีสติอยู่กับตัวกำลังนึกถึงคาไหนพยางค์ไหนต้องรู้ตัวทุกขณะ ถ้าหากจะไม่ใช้คำภาวนาอย่างนี้จะใช้คำภาวนาอย่างอื่นหรือจะใช้ถ้อยคาที่เป็นเครื่องสอนใจตนเองก็ได้และก็อย่าลืมเป็นอันขาดว่าจะต้องสัญญากับตัวเองว่าเรื่องการงานหรือเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับคำภาวนาจะต้องไม่เอามาคิดยังเด็ดขาดและถ้าอดไม่ได้ก็ให้ลุกขึ้นอย่านอนเป็นอันขาด ถ้าท่านเฉียบขาดกับตัวเองอย่างนี้จริงๆแล้วนี่จะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านหลับง่ายและการหลับแบบนี้อาจจะนำไปสู่การหลับในสมาธิได้และถ้าหากในขณะที่ก่อนจะหลับใจท่านสงบแจ่มใสไม่ฟุ้งซ่านเลยก็อาจจะเป็นไปได้ในขณะที่ท่านนอนหลับอย่างสนิทนั้นอาจจะฝันเห็นโอปปาติกะแต่อย่างไรก็ดี เขาได้โปรดจำไว้ว่าความฝันที่เกิดจากความคิดของตัวเองกับความฝันเห็นโอปปาติกะนั้นมีข้อที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดความฝันที่เกิดจากความคิดของตัวเองจะเป็นภาพที่เลือนลางเตินขึ้นมาแล้วจำไม่ค่อยได้หรือถ้าทิ้งไว้หลายๆวันก็อาจจะเลือนหายไปหมดส่วนการฝันเห็นโอปปาติกะถ้าเป็นการเห็นจริง ภาพในความฝันแจ่มชัดมากแม้ตื่นขึ้นมาแล้วก็จำได้แม่นแม้จะทิ้งไว้ตั้งนานๆบางคนนับเป็นปีๆก็ยังจำภาพนั้นได้แจ่มชัดและถ้าหากในขณะนั้นจิตมีสมาธิดีก็จะเห็นภาพในความฝันติดต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวมีระเบียบแต่ถ้าสมาธิไม่ดีภาพที่เห็นก็จะขาดเป็นห่วงๆไม่ติดต่อเป็นเรื่อง และจะมีภาพที่เกิดจากความคิดของตัวเองแทรกเข้ามาด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อสองสำวันมานี้ข้าพเจ้าได้ฝันเห็นท่านเจ้าพระคุณพระพิมลธรรมชอยแต่ในขณะที่กำลังฝันอยู่นั้นหูไปได้ยินเสียงจากวิทยุในตอนเช้ามืดด้วยภาพที่ปรากฏจึงกลายเป็นว่าเห็นท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมนั่งอยู่บนธรร ม, มาสิ์และกาลังเทศอยู่ในฝันบอกว่า ข้าพเจ้าตั้งใจฟังเทศแต่ก็จําไม่ได้ว่าท่านเทศว่าอะไรเมื่อเตือนขึ้นมาแล้วมาทดสอบดูก็ปรากฏว่าท่านเจ้าคุณพระพิโมลธรรมท่านมาจริงในตอนนั้นและท่านก็ได้แสดงให้ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านมาส่วนเรื่องการเทศบนธรร ม, มานั้นเป็นภาพที่เกิดจากจิตใจของข้าพเจ้าเองเพราะโดยปกติข้าพเจ้าเคารพในท่านมากเคยฟังเทศท่านบ่อยๆ เมื่อสมัยเคราพระเจ้าเป็นพระและการได้ยินเสียงวิทยุนั้นเป็นการได้ยินโดยที่ไม่รู้สึกตัวแต่มันก็มีผลเข้าไปถึงจิตข้างในไปเตือนความทรงจำเก่าๆผสมกับความคิดในขณะนั้นครั้นแล้วจึงออกมาในรูปดังที่กล่าวคนส่วนมากที่ฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วก็มักจะอยู่ในรูปอย่างนี้มากกว่าอันนี้เป็นแต่เพียงตัวอย่างส่วนน้อยในหลายๆตัวอย่าง ที่ข้าพเจ้าเคยผ่านมาด้วยตัวเองหลักการที่กล่าวมาถ้าหากจะนำมาใช้กับเด็กจะได้ผลดีเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเพราะโดยธรรมดาเด็กหลับง่ายและใจไม่ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นถ้าหากในครอบครัวใดมีเด็กซึ่งมีอายุตั้งแต่7ขวบถึง 12, 12ขวบเด็กในวนัยนี้ถ้าเป็นคนที่มีนิสัยซื่อ และจิตใจสงบไม่เย่อหยิงไม่อวดตัวเด็กประเภทนี้ถ้าฝึกให้มีสมาธิก่อนนอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็อาจจะมีตัวเป็นสื่อสำหรับติดต่อกับโอปปาติกะในเวลาหลับได้และถ้าหากฝึกสมาธิไว้เสมอๆ ส, สมาธิไม่เสื่อมการติดต่อกับโอปปาติกะนั้นก็จะดีขึ้นโดยลำดับอันนี้เป็นวิธีง่าย ท่านควรจะทดลองดูถึงแม้หากว่าจะไม่ได้ผลในการติดต่อกับโอปปาติกะแต่ก็ยังมีผลพลอยได้อย่างอื่นอีกมากมายเช่นทำให้สมองของเด็กดีขึ้นความจําดีขึ้นตลอดจนสุขภาพทางร่างกายก็จะดีขึ้นด้วยวิธีแนะนำดังที่กล่าวมานี้เป็นวิธีสามัญไม่มีเรื่องย่งยากต่ประการใดทั้งไม่มีอันตรายใดๆ ด, ด้วยอันหนึ่ง ท่านควรจะทราบว่าอีกอย่างหนึ่งว่าโดยธรรมดาเด็กที่เกิดใหม่ภายในระยะไม่เกินหนึ่งปีเวลาเด็กนอนหลับเด็กมักจะเห็นโอปปาติกะโดยเฉพาะคือโอปปาติกะที่เป็นพี่เลี้ยงของเขาเสมออย่างที่คนไทยโบราณเรียกว่าแม่ซื้ออันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่อย่างใดคนสมัยปัจจุบันส่วนมากไม่เชื่อเพราะเขาไม่มีพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลย เรียนแต่ในทางวัตถุหลงลหล ย, ยึดมั่นแต่ทฤษฎีในทางวัตถุเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะเข้าใจหรือเกิดความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ได้อันหนึ่งเด็กบางคนแม่อายุตั้งสองถึงสขวบเวลานอนหลับก็มักจะเห็นโอปปปาติกาเสมออย่างนี้ก็มีแต่เด็กตื่นขึ้นมาแล้วจำไม่ได้และเด็กบางคนอาจจะเห็นโอปปาติกะทั้งๆ ท, ที่กาลังตื่นอยู่ ข้าพเจ้าได้เคยพบตัวอย่างของเด็กประเภทนี้มาหลายรายแล้วเรื่องอย่างนี้ควรจะรับฟังเอาไว้บ้างเพราะอย่างน้อยที่สุดถ้าเด็กในบ้านของท่านมีตาเป็นสื่อกล่าวคือสามารถเห็นโอปปปาติกะได้ในบางครั้งหรือมีใจเป็นสื่อคือเวลานอนหลับก็มักจะเห็นโอปปปาติกะเสมอแต่เด็กไม่รู้เรื่องและบางทีเรื่องบางอย่างที่เด็กเห็นในเวลานอนหลับ เป็นเรื่องที่เด็กสนใจเตื่นขึ้นมาแล้วยังจําได้และเอามาเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังซึ่งเรื่องบางเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงที่น่าสนใจมากแต่ผู้ใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยไม่สนใจซึ่งถ้าหากจะสนใจสักหน่อยบางทีก็อาจจะทําให้ท่านได้รับประโยชน์จากโอปปาติกะมากมายคนที่ทําสมาธิก่อนนอน จนกระทั่งจิตของเขาเป็นสมาธิเสมอก่อนจะหลับคนประเภทนี้ไม่ต้องสงสัยเลยในชีวิตประจำวันมักจะได้รับอิทธิพลในทางความคิดจากโอปปาติกาเสมอความสำเร็จในการงานหลายต่อหลายอย่างซึ่งตนเองเข้าใจว่าเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเขาเองนั้นมีอยู่ไม่ใช่น้อยทีเดียวที่ไม่ใช่เกิดจากการตัดสินใจของเขาเพียงอย่างเดียวแต่โอปปาติกะ ที่คอยช่วยเหลือคุ้มครองเขานั้นท่านได้มีส่วนช่วยในการตัดสินใจของเขาบ่อยๆแต่เขาไม่รู้ตัวเองเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับว่าเรากำลังจะตัดสินใจที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็ยังลังเลไม่กล้าตัดสินใจลงไปทีเดียวแต่พอมีเพื่อนหรือมีใครเขาตามที่มีความคิดคล้ายคลึงกับเราผู้สนับสนุนหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้กาลังใจ เพียงเท่านี้เราก็ตัดสินใจได้ทันทีเรื่องในทำนองเดียวกันนี่หละจะมีบ่อยๆในเวลาที่เราตัดสินใจทาอะไรซึ่งข้าพเจ้าหมายความว่าในขณะนั้นโอปปาติกะที่คอยช่วยเหลือเราจะช่วยเราคิดแล้วก็ส่งกระแสความคิดมายัางจิตใจของเราแล้วเราก็รับความคิดอันนั้นเข้าไว้โดยไม่รู้สึกตัวซึ่งประสบการณ์อย่างนี้ จะมีได้บ่อยๆแก่บุคคลที่มันสวดมนต์ทำสมาธิก่อนนอนแต่อย่าลืมว่าสมาธิแบบนี้อาจจะมีได้ทั้งผลดีและผลร้ายหมายความว่าในเมื่อท่านฝึกสมาธิจนกระทั่งใจท่านเป็นสื่อรับความคิดจากโอกปปปาติกะได้โดยไม่รู้สึกตัวเช่นนั้นถ้าท่านเป็นคนมีนิสัยดีคิดแต่ในทางดีอยู่เสมอ ท่านก็จะได้รับความคิดจากโอปปปาติกะที่ดีแต่ตรงกันข้ามถ้าท่านมีความคิดที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นบ่อยๆโอปปปาติกะที่ร้ายๆก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องและส่งกระแสะความคิดที่เลวร้ายของเขาให้กับท่านด้วยคนที่เป็นนักการพนันอย่างชนิดที่เรียกว่าผีการพนันเข้าสิงคําพูดประโยคนี้ไม่ใช่เป็นแต่เพียงสำนวน แต่นั่นหมายความถึงว่าคนประเภทนี้มีโอปปาติกะที่มีนิสัยเป็นนักการพนันซึ่งติดมาตั้งแต่สมัยตัวเองยังเป็นมนุษย์เข้าสิงโอปปาติกะประเภทนี้จะส่งกระแสะความคิดของเขาเข้ามาครอบงำทำให้บุคคลประเภทนี้เลิกได้ยากรายละเอียดและครอบหลีกย่อยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มีอีกมากมายเท่าที่เล่ามานี้ เป็นเพียงให้ข้อสังเกตเท่านั้นหมายเหตุดูรายละเอียดเชิงลึกได้จากหนังสือของอาจารย์พอรอีกหลายเรื่องซึ่งชมรมพลดีจัดทำไว้แล้วนะครับ